วันนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันแรกของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้อยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนเนื่องจากเป็นช่วงฤ ด, ดูฝนเป็นฤ ด, ดูเพาะปลูกของชาวนาชาวไร่เนื่องจากมีเหตุชาวนาชาวไร่ เดือดร้อนจากการเดินทางไปไหนมาไหนของพระภิกษุสา ม, มเณรในช่วงฤ ด, ดูเพาะปลูกเวลาพระภิกษุสา ม, มเณรจะเดินทางไปไหนก็บางองค์บางรูปก็เดินลัดทุ่งนาแล้วก็ไปเหยียบทำลาย พืชที่ชาวนาชาวไร่ได้ทําการเพราะปลูกเอาไว้ชาวนาชาวไร่มีความเดือดร้อนก็เลยไปกราบทูลกับพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบก็เลยมีคําสั่งให้พาภิกษุและสามนเณร อยู่จำพรรษาอยู่กับที่ไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11บดนี่คือเรื่องของการจำพรรษา ที่เกิดขึ้นในสมัยพระพุทธการในระยะแรกๆของการประกาศพระาศาสนาผู้ที่บวชนั้นส่วนใหญ่เป็นพระอารหันตสาวกเป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดความเฉลียวรู้เรื่องของผลที่จะกระทบ กับผู้อื่นที่เกิดจากการกระทำของตนท่านจึงไม่กระทำอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่นชาวนาชาวไร่แต่ต่อมาเมื่อมีคนรู้จักพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นก็มีศรัทธาอยากจะบวช ในพระพุทธศาสนากันแต่เป็นบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนธรรมดายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์กันจึงไม่มีความฉลาดเฉลียวรอบคอบเวลาทำอะไรก็เลยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นมากับชาวนาชาวไร่ พอพระภิกษุเมื่อบวชแล้วก็มักจะเดินทางไปหาที่สงบสงัดวิเวกเพื่อไปบำเพ็ญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางองค์บางรูปก็อาจจะไม่ได้คิดรอบครอบก็เลยเดินลัดทุ่งนาไปเหยียบย่ำทำลายพืชของชาวนาชาวไร่ จึงต้องมีการบังคับให้อยู่กับที่ในช่วงฤ ด, ดูฝนเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ชาวนาชาวไร่นั่นเองนี่คือที่มาของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสา ม, มเณรถ้าจะ มีความจำเป็นที่จะต้องไปค้างแรมที่อื่นก็ส่งห้านิยาตส่งอนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนคือถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์สหธรรมิกเจ็บไข้ได้ป่วยจำเป็นจะต้องไปดูแลรักษา หรือสหธรรมิกเกิดมีความคิดอยากจะราศิกขาถ้าไปห้ามปรามได้ก็ไปได้หรือมีกิจของสงเกิดขึ้นเช่นกุติสาราเกิดความชำรุดเสียหายจำเป็นที่จะต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมก็ไปได้ หรือถ้าญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานิมนต์ไปในกิจนิมนต์ต่างๆก็ไปได้แต่ไปได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าพรรษาต่อมาในยุคสมัย ที่ศาสนาพุทธได้เข้าสู่ประเทศไทยชาวไทยเราก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงมีความอยากให้บุตรของตนได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างเต็มที่จึงมีธรรมเนียมของบุตรของชาวไทย ชาวไทยผู้ชายถ้าอายุครบ20ก็จะบวชกันบวชกันตลอดระยะเวลาหนึ่งพรรษาก็เลยถือว่าเวลาที่เข้าพรรษานี้เป็นเวลาสำคัญของชาวพุทธเราที่จะมีลูกชายที่ครบอายุ ได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีญาติพี่น้องที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยก็จะมาร่วมกันบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในวัดในช่วงเข้าพรรษากันเพราะว่าการได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างมากชีวิตจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับหากได้มีการเรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคําสอนอย่างต่อเนื่อง ชาวไทยพุทธเราจึงนิยมที่จะมาวัดมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันในช่วงฤ ด, ดูเข้าพรรษา น, นี้บางท่านก็จะมีการสมาทานหรือมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติ ข้อใดข้อหนึ่งในคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้บำเพ็ญจิตตะพาวนาเช่นบางท่านก็อาจจะสมาทานจะทำบุญทุกวันเช่นใส่บาตรหรือบางท่านก็อาจจะสมาทาน รักษาศีล5ตลอดทั้งพรรษาบางท่านก็อาจจะสมาทานว่าจะนั่งสมาธิทุกวันวันละหนึ่งหรือสองครั้งเช่นตอนก่อนนอนและหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปทำภารกิจอะไรก็จะฝึกจิตฝึกใจนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบก่อนนี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวพุทธเราจะคิดกระทำกันในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อที่จะได้ปรับปรุงชีวิตจิตใจให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นที่จะผลิตความสุขและความเจริญ ให้แก่จิตใจเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเพราะการที่เราจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นได้นั้นเราจําเป็นจะต้องบังคับถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามอัธยาศัยเป็นไปตามอารมณ์แล้วแล้วก็เรามักจะไม่ได้พัฒนากันเพราะ จิตใจของพวกเรานี้ถูกอำนาจไฟต่ำครอบงำจิตใจของพวกเราอยู่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดก็จะไปใ น, ในทิศทางที่ต่ำมากกว่าที่จะไปในทิศทางที่สูงสิ่งที่ควบคุมจิตใจเราที่เราเรียกว่าเป็นพวก อำนาจฝ่ายต่าก็คือพวกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่ชอบชวนให้เราไปในทางที่จะทำให้เราเสื่อมลงให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากขึ้นเช่นความคิดที่จะให้เราไปเสพพวกอบายามุกต่างๆเดิมสุรายาเมา เล่นการพนันเที่ยวเตรเที่ยวกลางคืนคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรและชอบความเกียดคร้านอันนี้เป็นอำนาจของกิเลสตันหาที่จะชักจูงให้จิตใจของเราไปในทิศทางนี้ และเมื่อเราได้ไปเกี่ยวข้องกับพวกอบายามุกแล้ว mm. ก็มักจะต้องไปกระทำบาปต่อไปเพราะการเสพอบายามุกนี้ไม่ได้มีการเพิ่มรายได้มีแต่สูญเสียทรัพย์สินที่มีอยู่ให้น้อยลงไปและให้หมดไปได้เมื่อขาดเงินขาดทอง แล้ไม่รู้จักหาไรายได้ไม่มีงานการทำก็จะต้องไปทำบาปเช่นไปรักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงช่อกงนี่คือวิถีชีวิตของจิตใจของพวกเราถ้าเราไม่ได้เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอย ชำละมาคอยกำจัดชีวิตของพวกเราจะถูกำอำนาจไฟต่ำเหล่านี้คอยฉุดลากให้เราลงไปสู่ที่ต่ำคือไปสู่ที่ทำให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีความเศร้าโศกเสียใจถ้าเรา ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดึงจะชุดให้เราขึ้นสู่ที่สูงขึ้นสู่ที่มีแต่ความสุขความเจริญการที่เราจะดึงจิตใจของเราให้ขึ้นสูงได้เราจึงต้องมีการบังคับจิตใจของเรา ให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าเรามีการควบคุมมีการบังคับและกระทาตามที่เราได้ตั้งใจกระทมแล้วจิตใจเราก็จะสามารถฝืนกระแสของอำนาจไฟต่ำได้หนึ่งจิตใจของเราที่ฉุดลากให้ลงต่ำ ให้ขึ้นสู่ที่สูงที่จเจริญที่มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับได้ดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้เราจึงมักมีความตั้งใจหรือมีมีการตั้งเป้าหมายมีความปรารถนาะที่จะกระทำสิ่งที่ดีให้กับตนเอง การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จได้เราจรึงจาเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งอธิษฐานสองสัจจะสามวิริยะสี่ขันตินี่คือคุณธรรมที่จะเราต้องอาศัยเป็นเครื่องมือในการควบคุมบังคับ ให้เราทำในสิ่งที่ดีที่งามให้เราละกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆได้ต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจสัจจะคือความจริงใจวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรและขันติความอดทนนี่คือคุณธรรม ที่เราจะต้องเอามาใช้กันในการที่เราจะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับตัวเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นในช่วงท้อพันศานี้บางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานจะบวชเป็นพระอยู่หนึ่งพันษา ตอนนี้ถ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานนั้นตอนนี้ก็ต้องได้บวชกันแล้วเพราะว่าจ ะ, จะมีพิธีบวชกันในช่วงก่อนเข้าพรรษากันเพื่อที่จะได้อยู่จำพรรษาได้นับตั้งแต่วันนี้ไปอันนี้ก็คือความตั้งใจที่จะกระทําสิ่งที่ดีและมีความตั้งใจที่จะละการกระทํา สิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นสิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องมีก่อนคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราว่าเราต้องการจะไปทิศทางใดเหมือนกับการที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ในวันนี้ได้ก็เพราะว่าท่านมีอธิษฐานไว้ในใจแล้วคือมีความตั้งใจไว้ในใจว่า วันนี้ตอนบ่ายสองโมงจะมาที่เขาชีโอ น, นี้เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมานั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ความตั้งใจนี้เราเรียกว่าอธิษฐานคำว่าอธิษฐานที่พวกเราเข้าใจกันหรือใช้กันนั้น ไม่ใช่เป็นความหมายอันเดียวกับความตั้งใจส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าคาอธิษฐานคือการข อ, อเราจะอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตจิตใจของเราให้สุขให้เจริญให้ร่มเย็ยนเป็นสุข อ, อันนี้เป็นการขอซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขอไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเราเองตามกฎบัญญัติของกฎแห่งกรรมกฎแท่งกรรมท่านบัญญัติไว้ว่าทำดีได้ดีทำเชั่วได้ชั่วไม่ใช่ขอดีแล้วจะได้ดีขอชั่วแล้วจะได้ชั่ออันนี้ไม่ใช่เป็นกฎไม่ใช่เป็นความจริง เังนั้นพวกเรามักจะทำอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงกันเราจรึงไม่ได้รับผลที่เราพึงจะได้รับกันพราเราไปมัวแต่ขอกันขออย่างไรขอไปจนวันตายก็ขอไม่ได้ถ้าสมมุติว่าขอแล้วได้นั้นมันเป็นเรื่องของเหตุบังเอิญกันที่เราจะได้อยู่แล้วแล้วเราไปขอมันก็เลยได้ขึ้นมา ความจริงแล้วมันขอแล้วไม่การขอไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้อะไรการกระทำนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องทำความดีทั้งหลายถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ความเสื่อมเสียเราก็ต้องละเว้นการกระทำที่ ทำให้เกิดความทุกข์ความเสื่อมเสียคือการกระทําความไม่ดีทั้งหลายนั่นเองการทําบาปทําความชั่วต่างๆนี่คือความหมายของอธิษฐานอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจที่จะกระทํำความดีและการกระทําความชั่วเพื่อให้เกิดผลคือความสุขความเจริญแก่ชีวิตจิตใจของพวกเรา ไม่ใช่เป็นการขอขอให้พรรสานี้ชีวิตของเราขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นแต่การกระทาของเราก็เป็นเหมือนเดิมเคยเดิ่มโุราก็ยังดื่มโุราต่อไปเคยเที่ยวเตรก็เที่ยวเตรต่อไปเคยทำบาปเคยโกหกเคยพูดปดเคยรักทรัพย์ก็ยังทำอยู่ อย่างนี้ขอไปอย่างไรก็ไม่มีผลที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เพราะผลนี้เกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจของพวกเรานี่แหละถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลดีคือความสุขความเจริญก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ผลไม่ดีคือความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็จะตามมานี่คือความหมายของอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจที่จะที่จะกระทําสิ่งที่ดีและละเว้นการกระทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นบางท่าน<ม>ก็อธิษฐานในพรรษานี้จะงดเว้นดื่มสรุราะ ปกติจะดื่มเป็นนิสัยเป็นเป็นปกติแต่พอเข้าปรรษานี้จะงดดื่มสซดาแล้วก็อธิษฐานจะใส่บาตรทุกวันอันนี้มีกรณีที่เห็นคือชาวบ้านท่านหนึ่งที่ใส่บาตรอยู่ที่บ้านอำเภอทั้งปีนี้ก็จะไม่ได้ใส่บาตรแต่พอเข้าปรรษาก็จะใส่บาตรทุกวัน แล้วก็จะละเว้นการดื่มสุราทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าเรามีความตั้งใจคือมีการอธิษฐานเมื่อเราตั้งใจทำอะไรแล้วจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จก็ขึ้นอยู่ที่กุณธรรมข้อที่สองที่สามที่ที่สี่ที่ที่เราจะต้องมี คุณนิทัศคุณธรรมข้อที่สามที่เราจะต้องมีก็คือสัจจะแปบลบว่าความจริงใจหรือความแน่วแน่มั่นคงต่อความตั้งใจของเราถ้าเราไม่มีสัจจะเป็นคนโลเลตั้งใจจะทําอะไรพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะเช่นตั้งใจว่าจะไม่ดืม่มโซดา เดีพอมีเพื่อนมาชวนให้ไปดื่มสุราให้ไปเที่ยวก็เปลี่ยนใจอกับไปเที่ยวตามที่เพื่อนมาชวนไปอถ้ามีสัจจะก็จะต้องปฏิเสธเพื่อนฝูงไปถ้าเพื่อนฝูงมาชวนให้ไปดื่มสุราไปเที่ยวก็บอกเขาว่าพรรษานี้ได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะไม่ดื่มสุราจะไม่ไปเที่ยวเตร๋อ ถ้ามีสัจจะเราก็จะสามารถรักษาอธิษฐานความตั้งใจของเราได้ <Yeah. S 1> เมื่อเรามีความตั้งใจมีสัจจะขั้นต่อไปเราก็ต้องมีความเพียรความพยายาม <Yeah. S 1> เพราะว่าผลนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็อยู่ที่ความพยายามนี้เอง <Yeah. S 1> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เมื่อเราตั้งใจที่จะทําอะไรให้สําเร็จนั้นเราต้องทําด้วยความขยันหมั่นเพียรความเพียรพยายามไม่ยออ่อท้อไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายไม่ยอมแพ้ทําไปตราบใดที่สามารถที่จะทําได้จะหยุดก็ต่อเมื่อไม่มีลมหายใจเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเรา ตอนที่พระองค์ทรงบาเพ็ญเพื่อให้ตัดสรู้ในขณะที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพพระองค์ก็ต้องตั้งสัสจจะอธิษฐานขึ้นมาว่าจะนั่งบาเพ็ญจิตตภาวนาตรงที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรู้ไปจนกว่าจะรู้ว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ถ้ายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ลุกจากที่นั่งไปเป็นอันขาดถึงแม่เลือดเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันแห้งไปคือยอมตายถ้าไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่ไม่หยุดในการเพียรบําเพ็ญในการพยายามศึกษาค้นคว้าหาความจริงเพื่อให ใจิตใจได้รบพบกับทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าที่ช่วยสนับสนุนให้พระพุทธเจ้าซึ่ตอนนั้นเป็นสัมมาโคดมได้ตัดสรลุพระอนุตตสัมมาสัมโบธิยาณได้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวงได้เกิดจากการมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะประพฤติปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความอดทนอนอกจากมีความเพียรแล้วก็ยังต้องมีความอดทนถ้าไม่มีความอดทนเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่ง พอรู้สึกยากหรือลำบากเราก็อาจจะยอมแพ้ก็ได้เราจึงต้องมีความอดทนถึงแม้จะยากจะลำบากถึงแม้จะทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจก็จะไม่ย่อท้อจะพยายามทำไปจนกว่าที่จะสำเร็จผลขึ้นมานี่คือสิ่งพวกเรา คุณธรรมสี่ประการที่พวกเราจำเป็นจะต้องมีกันถ้าเราอยากจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้มีอธิษฐานความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจมีวิริยะความภาคเพียรพยายามมีขันติความอดทนนี่คือ ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วมไม่ว่าเราจะทำอะไร<ม>เราจะได้รับผลอย่างแน่นอน<ม>ในปัญษานี้เราก็ลองมาทดลองดูก็ได้ว่าเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายหลายอย่างก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องดูกำลังของเราก่อนว่าพร้อมพอหรือไม่มถ้าไม่พร้อม ตั้งไปก็อาจจะไม่เกิดผมพผลสําเร็จได้ยิ่งนั้นเราต้องดูกําลังของเราด้วยว่าเราทําได้ไหมถ้าเราทําไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปตั้งเพราะเดี๋ยวตั้งแล้วเราทําไม่ได้เราจะอ่าเสียสัจจะได้แล้วเราอาจจะทําให้เราอาไม่กล้าที่จะตั้งใจทําอะไรต่อไป การจะทำอะไรเราก็ต้องทำจากน้อยไปหามากก่อนอย่าทำมากมาหาน้อยทำตามกำลังของเราเช่นเรารักษาศีลห้าได้หรือไม่เราก็ลองประเมินประมาณดูว่ามีข้อไหนที่เราไม่สามารถทำได้หรือทำได้เราอาจจะแทนที่จะรักษาศีลห้าก็เอาแค่ศีลหนึ่งก็ได้เอาข้อหนึ่งก่อนก็ได้ ถ้าเอาห้าข้อไม่ได้ก็เอาสักข้อหนึ่งเช่นการเดิมสะลาหรือการพูดปลดหรือการลักทรัพย์อันนี้เราก็ลองสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเราพอจะทำอะไรได้แล้วเราค่อยมาตั้งสัจจากันนี่คือวิธีที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเรา ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับจนไปถึงขั้นสูงสุดของจิตใจได้คือการขั้นหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเหล่านี้เป็นพวกที่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่กันผู้ที่เป็นเราผู้ที่ท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคน เป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นผู้รับใช้เราเท่านั้นเราใช้ร่างกายมาท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้แต่โลกนี้ไม่ได้เป็นโลกที่เรามาท่องเที่ยวเป็นเพียงโลกเดียวนอกจากโลกนี้แล้วยังมีโลกอื่นที่เราไปกันอีกเช่นหลังจากที่เราตายแล้วนี่เราก็ต้องออกจากโลกนี้ไปคือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายแล้ว เราผู้ที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังต้องไปท่องเที่ยวต่อเองไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ที่ยังมีที่มีอยู่แต่เป็นภพที่เรามองไม่เห็นกันภพอื่นที่เรามองเห็นก็มีอีกภพหนึ่งก็คือภพของเดลฉานภพของเดลฉานนี้เกิดจากการกระทำบาปข้อใดข้อหนึ่งด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ เช่นเราทําบาปเรารักทรัพย์เพื่อที่จะเอาไปซื้ออาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือเราฆ่าสัตว์เพื่อมาเลี้ยงปากเลี eh ้ยงท้องเช่นยิงนกตกปลาเราทําไปเพราะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะเราต้องดํารงชีพแล้วเราไม่สามารถที่จะไปซื้ออาหารเราก็อาจจะต้องไปรักทรัพย์หรืออาจจะต้องไปฆ่าสัตว์ เพื่อที่จะได้อาหารมาเลี้ยงชีพการกระทำแบบนี้ก็จะทำให้เราหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วจะต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาจิตใจของเขาเป็นแบบนี้เขาอยู่ด้วยการทำบาปเขาอยู่ด้วยการฆ่าอยู่ด้วยการลักขโมยถ้าเราอยู่ด้วยการฆ่าอยู่ด้วยการลักขโมย ตายไปใจของเราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานอันนี้เป็นพบที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกายก็คือพบของมนุษย์และพบของเดรัจฉานนอกจากพบของมนุษย์และเดรัจฉานแล้วยังมีพบของสัตว์โลกชนิดอื่นที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายอันนี้เราจะต้องใช้ ตาในเราถึงจะเห็นได้แต่ถ้าตาในเราปิดอยู่เราก็จะไม่เห็นตอนนี้พวกเราตาในของพวกเรานี้ปิดกันหมดเพราะเรามาใช้แต่ตานอคือตาของร่างกายเราก็เลยปิดตาในพอปิดตาในเราก็เลยไม่เห็นสิ่งที่ตาในสามารถที่จะเห็นได้คือพบต่างๆในโลกทิพย์นี้เอง โลกทิพนี้มีภพเอกหลายภพที่เรามองไม่เห็นกันเช่<ม>นภพของเทวดาภ<ม>พของพรหมภ<ม>พของพระอริยเจ้า<ม>หรือภพของเปรตภพของอสุ ร, รกายภพของนรกเ<ม>นี่ก็คือภพต่างๆที่เราอาจจะแวะไปเยี่ยมเยียนไปอยู่อาศัยขึ้นอยู่กับการกระทําของเรานี้เอง<ม>ที่เรียกว่ากรร ม, มการกระทําของเรา ทำบุญเราก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนพบที่ดีคือพบของเทวดาพบของพรหมพบของพระอริยเจ้าถ้าทำบาปทำชั่วเราก็จะไปเยี่ยมพบของเปรตของอสุรกายพบของนรกนี่คือสถานที่ต่างๆที่เรายังต้องไปวะเวียนไปอยู่ตราบใดที่เรายัง มีการกระทำบุญกระทำบาปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆอยู่อาบใดที่เรายังมีความโลภความอยากอยู่เรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้ตามการกระทำของเราถ้าเราทำบุญเราก็จะได้เวียนไปอยู่ภพที่ดีภพของ เทพภพของพรมภพของพระอริยะเจ้าถ้าเราทําบาบด้วยความอยากเราก็จะไปเวียนอยู่กับภพบของเดรลฉานภพของเปรตของอสูลละกายของนรกนี่คือการเป็นไปเป็นมาของจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจของพวกเราก็จะต้องไปรับผลของการกระทาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์กันพบของมนุษย์นี้เป็นพบที่เป็นเหตุเป็นผู้ก่อสร้างพบต่างๆกันหรือจะเปรียบเทียมก็เป็นเหมือนเป็นที่ที่เราไปทำวีซ่ากัน ก่อนที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศได้นะเราต้องไปทําวีซ่ากันก่อนไปขอทําใบอนุญาตเข้าประเทศนั้นประเทศนี้เราก็ต้องไปที่สถานทูตเพื่อขออนุญาตจากเจ้าของประเทศนั้นว่าเราจะไปเยี่ยมเยินประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็จะพิจารณาดูความพร้อมเมื่อเขาเห็นว่าเราพร้อมเขาก็อนุญาตเราให้เราเข้าไปในประเทศนั้นได้ การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามาทําบุญบ้างทําบาบ้างนี่ก็เท่ากับเรากําลังไปทําวีซ่าขอเข้าสู่พบต่างๆหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วถ้าเราไปทําบาศเราก็จะไปทําวีซ่าเพื่อไปสู่อบายพบของอบายต่างๆที่มีอยู่สี่พบด้วยกันพบของเดลชาญพบของเปรต พบของอสุรกายพบของนรกถ้าเราทำบุญเราก็จะไปขอวีซ่าเข้าสวรรค์ชั้นต่างๆบุญก็มีหลายระดับบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลอันนี้ก็จะทำให้เราได้ไปสู่พบของเทพถ้าเราทำบุญเพิ่มขึ้นคือฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะได้ไปสู่พบของพรหม แล้วถ้าเราได้ศึกษาให้เกิดปัญญาศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาให้เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะได้ไปสู่พบของพระอริยเจ้านั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอระหันต์นี่คือบุญต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันพราเป็นการขอวีซา่าไปสู่ภพทีด่ดีนั่นเองถ้าเราทำทาบุญอย่างสม่ำเสมอตามกำลังของเราบุญนี้ถ้าเรามีเราก็ทำเช่นเรามีทรัพย์ที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้เราก็ทำใช้ใช้การทำบุญ ด, ด้วยการใช้ทรัพย์ก็ได้ไม่มีทรัพย์เราก็ยังทาบุญได้ เรายัางสามารถทําคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทักเช่นเรามีความรู้เราแบ่งความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนเช่นเรารู้จักวิธีทํากับข้าวที่อ ร, อร่อยอร่อยแล้วมีคนเขาอยากยเรียนเราก็สอนเขาสอนให้เขารู้จักวิธีทํากับข้าวที่อ ร, อร่อยอร่อยโดยที่ไม่คิดเงินคิดทองอันนี้ก็เป็นการให้ เป็นการทำบุญอย่างหนึง่งคือแทนที่จะให้ข้าวของเงินทองเราก็ให้วิชาความรู้<ม>การให้วิชาความรู้นี้ท่านเรียกว่าเป็นวิทยาทาน<ม>ถ้าให้ข้าวของเงินทองท่านก็เรียกว่าเป็นให้การให้วัตถุทาน<ม>หรือถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรามีความรู้ทางธรรมะรู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆถ้าเรา ถ้ามีใครเขามีความทุกข์ใจแล้วเราสามารถสอนให้เขาดับความทุกข์ใจของเขาได้อันนี้เราก็ให้ธรรมะกับเขามันเรียกว่าเป็นเรียกว่าธรรมทานอันนี้คือบุญต่างๆที่เราทําได้ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินทองเพียงอย่างเดียวถึงจะทําทานได้ไม่มีเงินทองก็ให้วิทยาทานได้ให้ธรรมทานได้หรือให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งใช้กำลังกายของเราเช่นเรามีเวลาว่างเราไปทำงานให้แก่สาธารณกุศลต่างๆมีงานที่วัดเราก็ไปช่วยทำงานที่วัดหรือเวลาเรามาวัดเราเห็นวัดสกปกไม่สะอาดเราช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะล้างห้องน้ำหรือทำอะไรต่างๆ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคำว่าบุญนี้คือการทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นส่วนบาปก็คือการทำความเสียหายทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าบาปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำบุญละบาปทาบุญละบาปการละบาปก็คือการรักษาศีลนี่เอง เราเราก็ต้องรักษาศีลกันเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลถ้าเราทำบาปเราก็จะต้องไปรับผลบาปในอบายต่อไปถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นเดลชานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสู ร, รกาย ถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกนี่คือเหตุคือการกระทำที่จะพาให้เราไปสู่ภพต่างๆพระพุทธเจ้าทรงเห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากพระองค์ทรงเปิดตาในของพระองค์ได้ทรงประทับนั่งหลับตาหลับตานอกแล้วก็ใช้สติเปิดตาในขึ้นมา จเจรญอาณาปณะสติทําใจให้สงบ พ, พอใจสงบใจก็จะลืมตาขึ้นมาจะเห็นสิ่งต่างๆที่ตาร่างกายไม่สามารถเห็นได้จะต้องเห็นด้วยตาในคือตาใจตาที่เกิดจากความสงบ พ, พอสงบแล้วก็จะเห็นภพต่างๆเห็นที่มาที่ไปของภพต่างๆว่าเกิดจากการกระทําอะไรบ้าง พระองค์จึงเห็นว่าการทำบาปจะนำไปสู่อบายถ้าไม่ต้องการไปอบายก็ให้ละการกับทำบาปเมื่อไม่ทำบาปแล้วก็เหมือนกับเราไม่ไปขอวีซ่าที่จะไปอบายเมื่อไม่มีวีซ่าเวลาจะไปอบายเขาก็ไม่ให้ไปแล้วเราก็ไปทำวีซ่าเพื่อที่จะไปสู่ภพที่สูงกว่าภพของมนุษย์ พบที่มีความสุขมากกว่าพบของมนุษย์ก็คือพบของเทวดาพบของพรหมและพบของพระอริยเจ้าตามลำดับต่อไปเพราะว่าการที่จะไปพบต่างๆเหล่านี้มีความยากง่ายต่างกันนั้นเองจะต้องใช้ความพยายามใช้ความเพียรมากขึ้นถึงจะไปสู่พบที่มีความสุขมากขึ้นได้พบของเทวดานี้ก็ ง่ายกว่าพบของพรหมพบของพรหมนี้ก็ง่ายกว่าพบของพระอริยเจ้าเพราะการบําเพ็ญนี้มีความมากน้อยต่างกันนั่นเองการจะไปเป็นไปพบของเทวดาก็เพียงแต่รักษาสี่งแล้วก็ทําบุญอย่างสม่ําเสมอทําบุญมากน้อยก็จะทําให้เราไปสู่สวรรค์ที่สูงและต่ําสวรรค์นี้ก็แบ่งไปตามกําลังของการทําบุญของเรา ทำบุญน้อยก็ไปสู่สวรร์ชั้นต่ำทำบุญมากก็ไปสู่สวรร์ชั้นสูงเอออสวรรษชั้นสูงก็จะมีความสุขมากกว่าสวรร์ชั้นต่ำนั่นเองไม่เชื่อเราลองดูที่ใจของเราก็ได้ทุกครั้งที่เราทำบุญถ้าเราทำบุญน้อยเราจะรู้สึกมีความสุขน้อยกว่าเวลาที่เราทำบุญมากเวลาที่เราทำบุญมากนี้ใจของเราจะมีความสุข มากกว่าเวลาที่เราทําบุญน้อยเอคนเราก็ไม่แน่นอนบางเวลาก็มีโอกาสได้ทํามากบางโอกาสก็ได้ทําน้อยอันนี้ถ้าอยากจะได้บุญมากอยากได้ความสุขมากอยากได้ไปสู่สวรรค์ที่ชั้นที่สูงมากก็ต้องพยายามทําให้มากเอาเงินเอาทองที่เราจะไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นต่างๆ เช่นซื้อข้าวของซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราเอาเงินที่จะไปใช้กับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี่มาใช้กับการทำบุญเราจะได้บุญที่ดีกว่าถ้าเราเอาเงินไปใช้กับของฟุ่มเฟือยเวลาเราทำบุญอาจจะมีเงินไม่มากพอทำได้น้อย <c oughs> เราจึงเราก็จะไปสู่สวรรค์ที่มีความสุขน้อย นี่คือที่มาของทําไมสวรรค์จึงต้องมีชั้นต่างๆเพราะว่าการาการทําวีซ่านี้ทําไม่เท่ากันนั่นเองทําน้อยทํามากผลก็เลยได้น้อยได้มากสวรรค์จึงต้องมีชั้นต่างๆเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมนี้ก็เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ คามสงบของใจก็มีหลายระดับระดับรูปฌานระดับอรูปฌานสงบขั้นที่หนึ่งอรูปฌานนี้เป็นความสงบขั้นที่หนึ่งก็มีแบง่ ง, งเป็นถึงสี่ขั้นรูปฌานหนึ่งรูปฌานสองรูปฌานสามรูปฌานสี่แล้วสงบมากกว่ารูปฌานก็คืออรูปฌานสงบมากสงบน้อยนี้ขึ้นอยู่กับอะไร ก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสติที่จะคอยควบคุมใจให้ระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆนั่นเองถ้ามีสติมากก็จะสามารถควบคุมใจให้สงบให้หยุดให้มีความคิดปรุงแต่งน้อยลงไปได้มากออจนหยุดได้เลยถ้ามีสติกําลังเต็มที่เช่นระดับของมาหาสติออมาหาสตินี่คือสติที่ยิ่งใหญ่กว่าสติธรรมดา เ, ออเราจึงเรียกว่ามาหาสติ อาสติถ้าได้ระดับม้าสติก็จะทำให้จิตสงบได้อย่างเต็มที่ก็จะได้อรูปฌปานขั้นที่สี่นี่ก็ความสงบของจิตก็จะต่างกันไปตาม ก, กำลังของสติสติมีน้อยความสงบก็จะมีน้อยมีสั้นสติมีมากความสงบก็จะมีมากขึ้นและนานขึ้นอันนี้คือ ทำไมสวรรค์ชั้นพรมจึงมีหลายชั้นด้วยกันเพราะเหตุที่ทำให้จิตสงบทำให้จิตไปสู่สวรรค์ชั้นพรมนี้คือสติมีกำลังมากน้อยต่างกันเวลาเราเริ่มพัฒนาสติใหม่ๆมันจะมีน้อยเป็นเหมือนเด็กมันจะเป็นแบบล้มลุกคลุกคานเดี๋ยวก็เผลอพุโทโธได้สองสามคำเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวได้สติกลับมาก็มาพุทธโธใหม่ อันนี้ก็ลักษณะแบบล้มลุกคลุกขานต่อไปถ้าเราพัฒนาสติไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมีสติที่ยาวขึ้นก็เหมือนยืนได้แล้ถ้ายาวก่อนนั้นก็เหมือนกับเดินได้ถ้ายาวเต็มที่ก็แบบวิ่งได้สติก็ต้องมีการพัฒนาจากน้อยขึ้นไปหามากผลของสติจึงมีต่างกันไปจึงทำให้ ผลที่จะได้รับจากการไปเกิดเป็นพมก็เลยมีต่างกันไปมีพมขั้นต่ําไปสู่พมขั้นสูงแล้วเหนือชั้นของพมก็ยังมีชั้นของพระอริยเจ้าชั้นของพระอริยเจ้านี้ก็มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันคือชั้นของพระโสดาบันชั้นของพระสกิทาคามีชั้นของพระอน า, าคามีและชั้นของพระอาหารหันต์ะ การที่จะขึ้นไปสู่ชั้นของพระอริยเจ้าได้นี่ต้องมีปัญญามีปัญญาที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาตัวที่จะฉุดากให้จิตใจเราลงต่ำตัวที่จะฉุดากให้จิตใจเราติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีปัญญาในในระดับต้นเราก็จะสามารถเข้าสู่ระดับของพระโสดาบันได ถ้าเรามีปัญญาระดับที่สองเราก็จะขึ้นสู่ระดับของพระสกิดาคามีมีปัญญาระดับที่สก็จะขึ้นสู่ระดับพระอนาคามีมีปัญญาระดับที่สก็จะเข้าสู่ขั้นของพระอาหารหันต์ได้ปัญญาก็คือไตรลักษณ์นี้เองไตรลักษณ์ก็คือเห็นสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นราบยศสะละเสริญ รูปเสียงกิน่นรสพดทพะบุคคลต่างๆเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาล้วนเป็นใจรักทั้งนั้นคำว่าใจรักก็คือมีสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดี เช่นน่างกายตอนต้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางไปในทางที่ดีพอคลอดออกมาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับโตขึ้นจากเด็กเดือนหนึ่งเดือนเป็นเด็กหกเดือนเป็นเด็กหนึ่งปีโตขึ้นไปร่างกายโตขึ้นก็มีกำลังวังชามากขึ้นสามารถทำอะไรได้มากขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดสูงสุดคือเปลี่ยนแปลงในทางดีจะเริ่เติบโตไปพอเต็มที่แล้วทีนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบคือมันจะเริ่มชราจะเริ่มแก่ลงร่างกายจะเริ่มมีการชำรุดทุดโทนไปทีละเล็กทีละน้อยมีการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อวัยวะจะเริ่มเสื่อม ไปต้องมีการบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จ ะ, ะยืดการอยู่ของอวัยวะต่างๆให้ได้อยู่นานขึ้นไปแต่ทำอย่างไรมันก็ยับยั้งความเสื่อมไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็จะต้องยุติคือการทำงานของร่างกายเมื่อมันหมดกำลังมันก็ต้องยุติพอร่างกายหยุดหายใจทุกอย่างก็หยุดทางาน เอาไว้ยว่าต่างๆปอดหัวใจตับไตต่างๆก็จะหยุดทํางานแล้วพอหยุดทํางานแล้วมันก็จะมีการเสื่อมสลายไปธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายก็จะแยกตัวออกจากกันไปอน้ําก็จะออกจากร่างไปไฟก็จะออกจากร่างไปอลมก็จะออกจากร่างไปเหลืออยู่แต่ดินที่ เป็นของแข็งเช่นกระดูกผิวหนังหรืออวัยวะต่างๆที่แห้งกรอบแล้วแล้วก็ผุพังไปในที่สุดกลายเป็นดินไปหมดนี่คืออานิจังคือสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้รู้จักปล่อยวางกุญญักษณะข้อที่สางก็คือทุกขขังที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราปล่อยวางไม่เป็น ทุกเพราะว่าเราไม่เห็นอนิจจังของร่างกายเราคิดว่าร่างกายจะต้องอยู่ไปนานๆจะต้องไม่แก่จะต้องไม่เจ็บจะต้องไม่ตายพอเวลาเราไปเห็นความแก่ความเจ็บของร่างกายเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกเพราะเราอยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตานี่คือลักษณะที่สามอนัตตาก็คือ เขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของเราเขาไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเขาอยู่ภายใต้คําสั่งของธรรมชาติธรรมชาติก็จะสั่งให้เขาแยกตัวออกจากกันดินน้ำนํำลมายนี้เป็นธรรมชาติที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายแล้วเมื่อถึงเวลาเขาก็จะแยกตัวออกจากกันกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเขา น้ำก็กลับไปหาน้ำลมก็กลับไปหาลมไฟก็กลับไปหาไฟดินก็กลับไปหาดินเพราะเกิดการแยกตัวแล้วร่างกายก็หายไปถ้าเรามีการศึกษาอนิจจังอนัตตาอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็จะเข้าใจและเราก็จะไม่ฝืนธรรมชาติเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราฝืนเราอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะเราถูกความหลงหลอกให้เรามาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟทรมาจากดินน้ำลมไฟเราก็ต้องแยกกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟเราเห็นความจริงด้วยปัญญาแล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ พอปล่อยวางร่างกายแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกกับร่างกายอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นเราก็จะรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกไปกับทุกไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ความแก่ความเจ็บความตายก็ยังเป็นอย่างนั้นต่อไปคนฉลาดที่ไม่อยากจะทุกข์ก็จะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายแล้วก็รู้ว่าตนเองไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายตนไม่ได้เป็นร่างกายตนคือผู้รู้ผู้คิดผู้ศึกษาผู้สร้างปัญญา<ม>เพื่อที่จะสอนตนเองให้เข้าใจว่าร่างกายนี้ เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นนี่เราเห็นชัดว่าไม่ใช่เป็นเราเราจึงไม่ค่อยทุกข์กับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างไรเราสบายเรารู้เขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็เฉยเฉยได้แต่พอเป็นร่างกายของเรานี่เราเฉยไม่ได้ถ้าถ้าเราเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังหลงอยู่เรายังขาดปัญญายังไม่เห็นว่าร่างกายของเรานี้ มันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยได้จะเห็นก็เกิดจากการที่เราฝึกนั่งสมาธิเพราะเวลานั่งสมาธิใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันเะฉั้นการที่เราจะปล่อยวางได้เราจําเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนแล้วก็มีปัญญามาสอนอีกชั้นหนึ่งถ้ามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา เราก็จะสามารถปรลป่อยวางร่างกายได้แล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราไปหลงไปยึดไปติดได้ต่อนอกจากร่างกายแล้วเรายังไปของเราเรายังไปติดร่างกายของคนอื่นเราไปติดร่างกายของคนอื่นเพราะเราไปเห็นความสวยงามของร่างกายของคนอื่นเมื่อเราเห็นเขาสวยงามเราก็อยากจะอยู่ใกล้เขาเพราะเวลาอยู่ใกล้กับคนที่เรารักเราชอบเรามีความสุข แต่เราก็ต้องเห็นว่าเขาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าต่อไปเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้แทนที่อยากจะไปอยู่กับเขาอยากจะให้เขามาอยู่กับเราแล้วก็อาดว่าอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวถึงเวลาที่จะต้องพัดพากจากกาันหรือถึงเวลาที่เขาแก่ะ เขาไม่น่าดูไม่ไม่สวยไม่งามเราก็จะเบื่อเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พกเราพิจารณากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปติดไปพึ่งให้เขาให้ความสุขกับเราว่าเราพึ่งเขาได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งเขาเราจะพึ่งเขาไม่ได้เพราะเขาจะเสื่อมไปเขาจะหมดไป หรือเขาจะเปลี่ยนไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาต่อไปเราก็จะปล่อยวางทุกอย่างเราก็จะไม่ไปพึ่งอะไรเมื่อเราไม่พึ่งสิ่งต่างๆเราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราพึ่งนี้มันไม่เที่ยงพึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดเช่นเราพ่งร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปร่างกายนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายไปพอมันแก่เจ็บตายไปใจที่ยังต้องพึ่งร่างกายก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกแล้วก็มาเริ่มต้น เ, เริ่มต้นการเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกอีกรอบแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา อนนี้คือเรื่องของปัญญาที่จะทําให้จิตของเรานั้นหลุดออกจากการที่จะไปเกิดในภพต่างๆได้ยุติการไปทําวีซา่าเมื่อเราเห็นว่าถึงแมจ้จะจะไปภพที่ดีภพที่ดีมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาที่ศูนย์ใหม่แล้วก็ทําขึ้นไปใหม่แล้วก็กลับลงมาใหม่ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ เมื่อเห็นกฎของตายลักคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปหลงไปยึดไปติดให้ความสุขได้ต่อไปก็อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงอย่างเดียวความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิความสุขที่เกิดจากการระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้แหละเป็นความสุขที่ถาวร ที่จะอยู่คู่กับใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนีด่คือความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอาหารหันตสาวกที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงอันนี้ท่านจึงสอนให้เรามาตั้งจิตอธิษฐานในช่วงเข้าพรรษากันให้เรามาประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากัน เช่นอธิษฐานว่าจะขอทำบุญทาทานอย่างต่อเนื่องจะรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอจะบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบแล้วก็จะหมั่นฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าเราสามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจทำได้ผลอันดีอันประเสริฐต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป นี่ก็คือเรื่องของการเข้าพรรษาที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปฟินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ภราสยธาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทานสีฤทธสิจังมุธาปจายโนจตารโหธรมมวัฏานติอายุวันโนสุขัง ภาลาัอ่าลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้แต่ขอความกรุณาอย่ามาถามตอนหลังใหม่ตอนเลิกประชุมแล้วก็ขอหยุดเพื่อที่จะได้ไป พักผ่อนไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อไปตอนนี้อยากจะถามถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหรท่ทางเฟ c e b o o สามร้อยสิบสี่ค่ะทาง y o u t u หนึ่งร้อยสามสิบหกทางวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกผู้มารับฟังบนเขาสองรอยเก้าสิบสามรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยหกสิบเก้าคนค่ะ มีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้หรือจะเข้ามาพูดใกล้ๆที่ไมโครโฟนก็เชิญเข้ามาได้ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้คำถามทางบ้านเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งยังคนยังถวายของอยู่ยังไม่นิ่งใครมีอะไรจะถวายก็ขอเชิญเพราะว่า ถ้าไม่มีก็ขอให้นั่งเฉยๆนะเพราะว่าตอนนี้เราจะมีการสนทนาธรรมเพื่อเป็นความเคารพเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ฟังก็ขอให้นั่งตั้งใจฟังกันส่งคำถามเข้ามาได้เลยค่ะคำถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะการนำพระเครื่องมาให้เช่าบาปใหม่เจ้าคะไม่บาปหรอกก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งท่า น, นเอง คำถามจากทางไลน์ค่ะจากคุณเอมิอยากถามค่ะว่าคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ถูกกิเลสครอบงำแล้วไปทำผิดสีลข้อสามกับข้อห้าแต่เขานึกแต่เขาสำนึกในความผิดที่ได้ทำไปแล้วตั้งตนปฏิบัติใหม่ตามคำสอนพระพุทธเจ้าจะพ้นจากอบายภูมิและสามารถเข้าถึงนิพพานได้ใหม่คะถ้าเขาไม่ทำผิดอีกเลยตลอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่า ช่วงที่เราตายนั้นบุญที่เราทำกับบาปที่เราทำนี้อันไหนมีมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็ยังดึงเราไปอบายไดอยูถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปอไปสวรรค์ก่อนนันก็ต้องพยายามทำบุญให้มากทำบาปให้น้อยเพื่อให้บุญมีกำลังมากกว่าบาปแต่เราไม่สามารถลบล้างบาปที่เราทาได้ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องส่งผลเวลาที่บุญเราน้อยกว่าบาปบาปก็จะส่งผลทันทีคำถามจากคุณหมวยค่ะการเนสัศรรชิกสําหรับคารวะถือเป็นการทําความเพียรที่สมควรทําหรือเป็นการเบียดเบียนตนคะร่างกายมันหัวตื้อไปหมดแต่ต้องฝืนทนให้ถึงเช้าพอใส่สายก็ต้องกลับมานอนอีกถ้าเป็นความเพียรที่พระพุทธองค์แนะ โยมจะได้ฝึกฝนตนให้ผ่านให้ได้ค่ะก็มันอยู่ที่กำลังของเราไงถ้าเรายังไม่มีกำลังพอทำไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็เป็นเกณฑ์เพียงฝึกความอดทนไปแต่ความจริงเรานอกจากความอดทนแล้วเราต้องการธรรมะคือสติการฝึกในสัจคิกนี้เพื่อให้ให้พักให้นอนให้น้อยที่สุด เพื่อให้เอาเวลามาทําประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นเองคือเป้าหมายของการถือเนสัตเนสัต ช, ชิกแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติแบบต่อเนื่องแบบตลอดเวลาแล้วปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นเนสัต ช, ชิกนี้ทําไป ก, ก็ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากอันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่บําเพ็ญอย่างต่อเนื่องและต้องการที่จะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเพื่อการบรรลุธรรม การบรรลุทำให้มันรวดเร็วที่สุดท่านก็เลยถือในสัตชิกกันผู้ที่ถือในสัตชิกนี้จะต้องถือแล้วปฏิบัติได้คือไม่ใช่ถือไปแล้วก็มานั่งมามานั่ง อ, อุตาหลับขับตานอนมาทนกับความง่วงนอนอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ผลอะไรถ้าในสัตชิกจริงๆแล้วก็ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปอย่างนี้ถึงจะ ถึงจะได้ประโยชน์จากการถือเนสัตชิกถ้าถือในสัตชิกแล้วก็มานั่งดูเวลานั่งดูว่าเมื่อไหร่จะสว่างอันนี้ถือไปก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่อดพระกายอาหารอดอาหาร4ี่วันเพื่อให้กิเลสตายกิเลสมันก็ไม่ตายกิเลสมันจะตายต้องนั่งสมาธิต้องควบคุมเจตจิตใจให้สงบด้วยสติด้วยปัญญากิเลสมันถึงจะตายได้ คำถามจากคุณทิพย์ค่ะโยมขอโอกาสถามค่ะกระเทยแต่ยังไม่ได้แปลงเพศบวชเป็นพระได้ไหมคะถ้าไม่ไปบอกว่าเป็นกระเทยถ้าเขาไม่รู้ว่าเป็นกระเทยก็บวชได้เพราะสมัยนี้ก็มีกระเทยบวชกันเยอะแยะแต่ไม่เขาก็ไม่ได้ถามเพศเวลาบวชเนี่ยเขาก็ถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าพ่อแม่อนุ ญ, ญาตหรือเปล่าพระราชาอนุ ญ, ญาตหรือเปล่าถ้าเป็นข้าราชการ อะไรทํานองนี้ก็เขาก็ไม่ได้ถามว่าเป็นกระเทยหรือเปล่ายังก็ไม่ต้องไปแจ้งเขาถ้าอยากจะบวชก็มีเห็นเห็นมีมาบวชกันเยอะอยู่อถ้าบวชแล้วไม่ไปกระทําผิดศีลก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาที่เขากลัวคือกระเทยชอบผู้ชายด้วยกันแล้วมาบวชอยู่กับพระเดี๋ยวมันจะไปทําให้เกิดเอปัญหาเพราะอยู่ใกล้ชิดกัน คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณพรมพรในพนรรษาคารว่าสามารถเปลี่ยนวัดไปรักษาศีลแปดได้ไหมคะก็แล้วแต่ว่าคารวะ น, นั้นตั้งจิตอธิษฐานหรือเปล่าส่วนให ญ, ญ่การจะการตั้งจิตอธิษฐานจำพรรษานี้เป็นเรื่องของพระมากกว่าเพราะคารวะไม่ได้อยู่กับวัดนอกจากอยากจะอยู่กับวัดเหมือนพระแล้วอยากจะบังคับไม่ให้ตัวเองกลับบ้านอย่างนี้ก็ต้อง ถืออาถือพันษาได้พร่งั้นเดี๋ยวอยู่วัดสองวันเ็อยากจะกลับบ้านก็กลับไปกลับมาถ้าถือพรรษาเลยก็จะไม่ออกจา ก, จากวัดไปนอกจากมีเหตุจำเป็นเช่นบิดามารดาลูกเต้าไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้ต้องไปดูแลก็ไปดูแลได้คำถามจากคุณนรงศักดิ์ค่ะกรรมคืออะไรลักษณะของกรรมเป็นยังไงครับ กรรมมันบันทึกอยู่ตรงไหนครับกรรมคือการกระทำไงการกระทําเวลาเราคิดนี่ก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งเขเรียกว่ามโนกรรมเวลาเราพูดนี่ก็เป็นวจีกรรมวาจาเวลาเราใช้ร่างกายทำอะไรเดินไปเดินมาขโมยข้าวขโมยของไปโรงเรียนไปทําประโยชน์ให้กับคนนั่นคนนี้เหล่านี้ก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันเมื่อทําแล้วมันจะบันทึกอยู่ในใจ ใจของเรานี้เป็นเหมือนกับเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เราสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่เราไปที่ไหนเราเปิดกล้องวิดีโอมันก็บันทึกภาพบันทึกเสียงไว้ใจเรานี้ก็บันทึกทุกอย่างที่เราทําไว้แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะมามีผลกระทบกับใจเราต่อไปคําถามจากทาง youtube ค่ะจากคุณมาดามศูนย์ศเจ สาเหตุที่ทำให้สมาธิที่ได้ไม่รวมลงเหมือนเดิมคืออะไรคะสติหายไปไงต้องมาสร้างสติใหม่อีกคำถามหนึ่งคือมีวิธีแก้อย่างไรคะก็สร้างสติใหม่ไงมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดใหม่สติของเรามันยังไม่เป็นแบบาถาวรมันเป็นแบบชั่วคราวเวลาเราตั้งสติมันก็อยู่ พอเราเผลอหยุดตั้งมันมันก็หายไปเราต้องตั้งมันจนกระทั่งมันเป็นนิสัยตั้งอยู่เรื่อยๆตั้งไปจนกระทั่งมันไม่ล้มต่อไปนั่งสมาธิมันก็จะไม่หายคาถามจากทางยูทูบค่ะถามพระอาจารย์ว่าเหตุใดทำไมตอนที่นั่งสมาธิถึงง่วงนอนเหมือนจะหลับตลอดเลยครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าใจเราไม่คิดเนี่ยเราคิดน้อยลง เมื่อคิดน้อยลงมันก็เป็นได้สองทางถ้าสติมีกําลังมากมันก็จะสงบเข้าสู่ผวังสมาธิถ้ามีสติมีกําลังน้อยมันก็จะเข้าสู่ผวังหลับหมดสติเวลาหลับก็หมดสติแต่ถ้ามีสติมันก็มันสงบมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาคําถามจากคุณสมาธิอุเบกขาค่ะ ญาติพี่น้องที่เรารักนับถือที่เสียชีวิตไปแล้วสามสิบกว่าปีและเราไม่รู้ว่าเขาไปเกิดใหม่หรือยังเรายังทำบุญอันนี้ส่งให้เขาได้ไหมมีความจำกัดอันนี้ส่งบุญกันอย่างไรคะไม่มีหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นผู้ที่มารอรับบุญเมื่อไหร่เพราะดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้ก็มีบุญมีกรรมที่จะเป็นตัวผู้ตัวชี้ ตัวสั่งให้จิตนี้มาเป็นผู้มาเรารับบุญหรือไม่เราทำไปเราก็จะไม่ขาดทุนเพราะส่วนใหญ่บุญที่เราทำจะเป็นของเราบุญที่เราแบ่งไปนี่ก็เป็นเพียงบุญส่วนย่อยถ้าเขาไม่รับขอยังไม่มารับเราก็ให้ผู้อื่นไปก็ได้เราสามารถที่จะอุทิศบุญแบบให้หลายๆคนได้เช่นกล่าวตามชื่อตามลำดับว่าขออุทิศบุญให้บุคคลนี้ก่อน ถ้าบุคคลนี้ไม่รับก็ขอให้บุคคลนั้นตามลำดับไปหรือไม่ใช่นั้นก็อุทิศให้กับสัพพสัต ท, ทั้งหลายไปผู้ที่มาผู้ที่รอรับบุญแล้วไม่มีญาติส่งบุญมาให้อย่างนี้เราก็ทำได้ก็เป็นบุญเหมือนกันเหมือนกับใส่บาตรใส่บาตรแบบเจาะจองกับพระรูปนั้นรูปนี้หรือใส่บาตรกับพระที่เราไม่เจาะจองก็ได้ผลก็คือเราก็ได้บุญเหมือนกันคาถามจาก คุณไพโรธค่ะถาวายสังฆทานแล้วอุทิศบุญให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันได้หรือไม่ครับผู้ที่มีชีวิตอยู่เขาสามารถทำบุญของเขาได้เองเขาได้บุญมากกว่าด้วยการกระทำบุญของเขาเองถ้าเราอยากจะให้เขาได้รับความสุขจากเราเราก็เอาเงินที่เราทำบุญให้เขานี้ให้เงินเขาไปเลยส่วนเขาจะาไปทำอย่างไรก็เรื่องของเขาอย่างน้อยเขาก็จะดีใจมีความสุข บุญก็คือความสุขนี่ความสุขของคนตายนี้เราให้เงินเขาไม่ได้เราก็เลยต้องส่งบุญไปแทนทําบุญแล้วก็ส่งบุญไปให้เขาแต่ถ้าคนยังมีชีวิตอยู่เราก็ให้เงินให้ของเขาไปเลยแล้วเขาก็จะมีความสุขเขาขาดอะไรเราก็ให้สิ่งนั้นเขาไปเช่นเขาขาดอาหารเราก็ซื้ออาหารไปให้เขาขาดเสื้อผ้าเราก็ซื้อเสื้อผ้าไปให้เขาได้เลย เป็นการช่วยเหลือกันการทําบุญก็บุญนี้ก็เป็นการช่วยเหลือดวงวิญญาณที่ขาดบุญคําถามจากคุณเอสเจคะ่ะปฏิบัติโดยเดินสลับนั่งส่วนใหญ่มีความสุขจากการมีสติตอนนั่งมีเบื่อบ้างก็กลับมาดูลมต่อทําอย่างนี้จนใจไม่คิดเลยจึงค่อยเจริญปัญญาใช่ไหมคะใช่ก็ทําจิตให้สงบนานๆก่อนให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถสั่งให้จิตสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการเพราะถ้าเราไม่สามารถสั่งได้เวลาเรามาเจริญปัญญาเราต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเกิดเราคิดไปในทางกิเลสมันก็จะฟุ้งซ่านได้แล้วถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะหยุดคิดมันก็จะฟุ้งไปนานเังั้นก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาเราจึงควรรู้จักหยุดความคิดให้ได้ก่อนให้มีความชนานาญสามารถสั่งให้มันหยุดได้เวลาที่มันฟุ้ง พอเราควบคุมความคิดได้สั่งได้แล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปเอาคำถามสุดท้ายนะวันนี้เวลาหมดแล้วคำถามจากคุณวัชุพรตอนที่นั่งเครื่องบินมีความกลัวๆอยู่ในใจจะปฏิบัติจิตอย่างไรไม่ทราบเจ้าคะก็สวดมนต์ไปถ้าสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปถ้านั่งสมาธิพุทโธพุทโธได้ก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเครื่องบิน